เรื่องสัตติโลมเปรตเพศชายหนึ่งเรื่องวงเล็บเปรตร่างมีขนเป็นหอกเพศชายสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณนะพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคคลานะพักอยู่ที่เขาขิจกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคคลานะครองอันตรวาสก ถือบาทและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าทาลักษณะมาเถิดพวกเราจะไปบิณทาบาตในกรุงราชครื่ด้วยกันพระลักษณะรับคําแล้วขณะที่พระมหาโมคคลานะกําลังลงจากภูเขาคิชกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักษณะถามว่าท่านโมคคลานะ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 พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักสุยันก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นสติลมเปรตเพศชายนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นพราน ล, ล่าเนื้อในกรุงราชครึ่ เพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมคาณนะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่41